สิ่งที่มีค่าสำหรับจิตใจของพวกเราคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรมีค่ามากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พอ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้ใจเราพ้นจากความทุกข์ที่จะทาให้ใจเรามีแต่ความสุขไปตลอดนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่มีอะไรสามารถทำได้ถ้าจะให้พ้นทุกข์กับพ้นทุกข์ได้ชั่วครั้งชั่วคราวให้ความสุขได้ชั่วครั้งชั่วคราว แต่ไม่สามารถที่จะให้ความสุขอย่างถาวรคกำจัดความทุกข์อย่างถาวรได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถทําได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นสมบัติอันล้าค่ายิ่งกว่าสมบัติทั้งปวง มีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนลาน้านก็ยังพน้นไม่พ้นจากความทุกข์ความสุขที่ได้ก็เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาใหม่เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็น เครื่องดับทุกข์ของใจไม่ใช่เป็นเครื่องสร้างความสุขให้กับใจอย่างแท้จริงเป็นความสุขปลอมเป็นการดับความทุกข์ปลอมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่ดับความทุกข์ได้อย่างถาวรที่ทาให้ใจมีความสุขได้อย่างถาวร เราจึงเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันไม่ว่าจะเป็นใครในโลกนี้ก็ตามจะเป็นเศรษฐีระดับไหนก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ระดับไหนก็ตามจะต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวร ถ้าอยากจะมีความสุขอย่างท้าวรต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถ้าไปหาอย่างอื่นก็จะผิดหวงจะได้ความสุขชั่วคราวจะดับความทุกข์ได้ชั่วคราวอันนี้คือความสําคัญหรือคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเรา พวกเราจึงควรที่จะศึกษาทำความรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าท่านมีคุณค่าอย่างไรเราจะได้รับประโยชน์จากท่านได้อย่างไรเหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อของสินค้าต่างๆก่อนที่เราจะซื้อเราก็ต้องรู้ก่อนว่า สินค้าที่เราจะซื้อ น, นั้นทำประโยชน์อะไรให้กับเราได้ได้มากได้น้อยเราอยากจะซื้อบ้านเราก็ต้องไปดูบ้านที่เขาขายอยากจะซื้อรถก็ต้องไปดูรถที่เขาขายทดลองขับหรืออ่านคุณสมบัติของรถของบ้านว่าทำอะไรได้บ้างอย่างไร ทำอะไรให้กับเราได้บ้างเราถึงจะรู้ว่ า, ามีประโยชน์กับเราหรือไม่ถ้เาเราไม่ได้ไปศึกษาเราจะไม่รู้ว่าบ้านชนิดนี้ชนิดนี้บ้านชนิดนั้นาราคาล ร, ราคาระดับนั้นราคาระดับนี้ มีคุณค่ามีคุณประโยชน์กับเราอย่างไรทำไมจึงมีราคาแตกต่างกันอันนี้ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ฉ น, นเวลาเราอยากจะได้อะไรเราก็ต้องไปศึกษาดูสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันทำประโยชน์อะไรให้กับเราได้บ้าง เช่นเดียวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นใครเป็นอะไรทําอะไรให้กับเราได้บ้างฉะนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปลูกฝังจิตใจของเราก็คือ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรารู้แล้วเราจะได้รู้คุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะทำให้เรารักเราปรารถนาที่อยากจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสมบัติของเรานี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเรา ไม่ค่อยรู้จักกันถึงแม้จะเรียกตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงจังมีพวกที่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงจังก็คือพวกที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังเท่านั้นเอง นอกนั้นแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่ามากมายอะไรปฏิบัติก็ไม่ได้จริงจังอะไรปฏิบัติไปพอหอมปากหอมคอจึงไม่ได้รับผลประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างเต็มที่พอยังไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงไม่อยากจะทุ่มเท ชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นนถ้ารู้คุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพราะการปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะทำให้เราได้รับผลประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้เห็นคุณค่าไม่รู้คุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องศึกษาศึกษาพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคำสอน ศึกษาพระอริยสงสาวกว่าท่านเป็นใครท่านทำไมถึงเป็นคนที่ต่างจากพวกเราทำไมท่านถึงมีความสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของท่านให้หมดไปท่านสามารถสร้างความสุขให้อยู่ในใจของท่านไปได้ตลอด นี่คือสิ่งที่เราชาวพุทธถ้าอยากจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องศึกษาออศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระธรรมคาสอนเรื่องของพระอริยสงสาวกถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะได้รู้ ว่าพระพุทธเจ้าวิเศษอย่างไรพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวิเศษอย่างไรพระอาริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าวิเศษอย่างไรและเราจะทำตัวเราให้วิวเศษเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพราะอาริยสงสาวกได้อย่างไรนะคำตอบเหล่านี้มันมีอยู่ในการศึกษา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระ พ, พุทธเจ้าก็ศึกษาเรื่องพระประวัติของท่านพระพุทธเจ้าเป็นใครเป็นเป็นมนุษย์เดินดินหรือว่ามีปีกมีอะไรพิเศษกว่ามนุษย์อย่างพวกเราถ้าเราศึกษาประวัติสิ่งที่พิเศษอันดับแรกที่เราได้ยินได้ฟังก็คือ เวลาประสูติออกมาก็ทรงอเดินได้เจ็ดเก้าออกจากท้องแม่มาก็สามารถเดินได้เลยอันนี้จะเชื่อไม่เชื่อก็ก็ไม่มีใครที่จะเอามาพิสูจน์ได้เพราะว่ามันไม่มีใครบันทึกอวิดีโอเหมือนสมัยนี้อสมัยนี้ใครทําอะไรเอ แปลกๆ ก, ก็มีการบันทึกวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานได้แต่สมัยก่อนไม่มีวิดีโ อ, อแต่ถ้าถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติทมได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตใจ เ, เ, เรื่องการเดิน7จก้าของพาเจ้านี้ก็จะไม่เป็นปัญหา ไม่เป็น อ, อุปสรรคเพราะถ้าได้ศึกษาเกี่ยวกับจิตใจจริงๆแล้วจะรู้ว่ า, าผู้ที่มีพลังจิตนี่สามารถทำอะไรที่ผู้ที่ไม่มีพลังจิตอย่างพวกเรานี้ทำได้ถึงแม้ว่าจะเป็นทารกแต่จิตนี้ไม่ได้เป็นทารก จิตนี้ไม่มีอายุไม่มีอายุตามอายุของร่างกายจิตนี้มีอายุมามายาวนานจิตนี้อยู่กับโลกอยู่กับมันอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนี้มาเป็นเวลายาวนานจิตที่ได้มีการพัฒนานั้นจะมีพลังจะสามารถทําอะไรที่ คนจิตที่ไม่ได้พัฒนาทำได้อันนี้ก็ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เป็นประเด็นสำคัญก็ให้รู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามไปก่อนแล้วต่อไปถ้าได้ปฏิบัติตามคำสอนถ้าได้พัฒนาจิตใจขึ้นไปตามลำดำับจะ เข้าใจจะไม่สงสัยอนนี้นี่ก็สิ่งแรกที่เราได้ยินได้ฟังกันเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าก็คือตอนประสูตรก็เดินได้เจ็ดเก้าแล้วก็ประวัติก็เป็นราชโอรสของกษัตริย์มารดาหลังจากคอด เจ้าชายสิทธัตถะได้เจดวันก็สิ้นสินระชนสด็จสวรรคตไปลาบิดาก็มอบให้กับน้น้องสาวแม่เป็นแม่เลี้ยงเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าต่อไปช่วงที่ประสูติใหม่ๆพระเจ้าแผ่นดินพระราชบิดาอยากจะรู้ อนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะพระราโจรสก็เชิญอหอราจา์ต่างๆที่มีความเก่งการในเรื่องการทำนายอนาคตพยากรณ์อนาคตของบุคคลต่างๆก็ได้เชิญมาให้ดูอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าโตขึ้นจะ โตขึ้นแล้วจะไปเป็นอะไรก็มีหัวาจารย์หลายๆรูปมีข้อสรุปเหมือนกันว่ามีความเป็นไปได้สองทางถ้าอยู่เป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิจะเป็นผู้ที่สร้างอาณาจักรอันใหญ่โตขึ้นมามด้วยความสามารถของบารมีของ ของพระองค์ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกที่จะปลดเปิื้องสัตว์โลกทั้งหลายที่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีหราจารย์อยู่รูปหนึ่งที่มีความเห็นต่างคือเห็นทางเดียวเท่านั้นเห็นว่า จะต้องออกบวชนะเป็นพระอาหารหันตสัมมาสามพุทธเจ้าขึ้นมาพอเจ้าชายสุโทธทนะพระราชบิดาได้ทราบอนาคตพระองค์ก็เลยเตรียมการที่จะส่งให้พระราชโอรสนั้นได้ไปเป็นมหาจัการาพรรดิ เตรียมการปิดกั้นทางที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะไปออกบวชวิธีที่ท่านทํำก็คือห้อมล้อมเจ้าชายสิทธัตถะไว้ด้วยความสุขของมนุษย์ของของทางโลกความสุขอะไรที่เป็นความสุขนี้ให้เอาเข้ามาในวังอะไรที่เป็นความทุกข์นี้ห้ามเอาเข้ามาในวัง เพราะถ้าเกิดมีความทุกข์แล้วอาจจะเสียใจอาจจะเศร้าใจอาจจะไม่มีความอยากที่จะอยู่เป็นกษัตริย์อาจจะอยากออกบวชก็เลยต้องห้ามสิ่งที่เป็นความทุกข์เข้ามาให้มีแต่สิ่งที่มีแต่ความสุขเข้ามาในวังทรงสร้างความสุขต่างๆสร้างประสาทสามฤดู ให้มีแต่หนุ่มๆสาวๆหน้าตาดีๆมาห้อมล้อมมาให้การบันเทิงให้มีแต่อาหาราเครื่องเดิมชนิดต่างๆที่มีรถมีอะไรที่ดูดดุดเดิมใจ ให้เพิดเพลินให้อยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคนแก่คนเจ็บคนตายคนหน้าตาไม่สวยไม่งามคนพิกลพิการไม่ให้เข้ามาในวังไม่ให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นด้านของความทุกข์ของมนุษย์ให้เห็นแต่ด้านของความสุขของมนุษย์เพื่อจะได้ติดใจหลงไหลอ ย, อยู่กับการเป็นมนุษย์เป็นกษัตริย์น นี่คือการกระทาของพระราชบิดาแล้วก็หาภรรยาให้ให้มีภรรยาให้มีครอบครัวนี่คือชีวิตของเจ้าชายเิทธฐะในช่วงที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นมา ทีนี้อยู่ไปในวังนานๆไม่เคยออกไปนอกวงังนอกกําแพงวงังก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาว่าข้างนอกวังเป็นอย่างไรทําไมจึงไม่ได้ออกไปข้างนอกดูความอยากรู้อยากเห็นจึงทําให้ต้องเล็ดลอดออกไปไปแบบเงียบๆแอบออกไปมีมหาล็ก ติดตามไปพอได้ออกไปนอกวังก็เลยเห็นภาพของโลกภายนอกที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งดีทั้งไม่ดีไปเห็นส่วนที่ไม่ดีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดินเที่ยวไปก็ไปเห็นคนแก่หลังคอมเดิน แบบไม่มีกำลังวังชาก็ถามว่านี่เป็นใครมาแลวก็ตอบว่าก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละเมื่ออยู่ไปนานๆร่างกายก็ต้องแก่ชราเรี้ยวลาเรียวแรงอะไรก็จะค่อยๆหมดไปหลังก็จะคล่อมเดินตัวตรงๆไม่ไหวพระองค์เองก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน พอได้ฟังคำตอบก็ทำให้เกิดหูตาสว่างขึ้นมาเกิดความตกใจขึ้นมาเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นคนแก่ไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องแก่คิดว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดพอเดินไปอีกสังขยะหนึ่งก็ไปเห็นคนเจ็บไข้นอนอยู่หน้าบ้าน นอนอยู่บนแค่หน้าบ้านร้องอดคลางควนคลางด้วยความเจ็บปวดอก็ถามว่าคนนี้เป็นอะไรถึงต้องมานอนร้องอย่างนี้ก็บอกว่าคนนี้เป็นคนเจ็บเวลาร่างกายเออยู่ไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะต้องร้องควนคลางแบบนี้ร่างกายของพระองค์ก็เหมือนกัน ต่อไปก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพองก็เห็นแล้วก็ตกใจคิดแล้วพอรู้แล้วก็ตกใจว่าต่อไปตัวเองจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพอเดินต่อไปก็เห็นขบวนแห่มีคนแบกศพไปทำชาปนากิจก็ถามว่าเขากำลังทำอะไรกัน ก็บอกวเขากําลังเอาคนตายไปเผาเพราะคนเมื่อเกิดมาแล้วเมื่อแก่แล้วเมื่อเจ็บแล้วก็ต้องตายไปตายไปเขาก็ต้องเอาไปเผาเพราะ้าเก็บไว้มันก็จะส่งกลิ่นเหม็นเน่าเออพระองค์ก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันเออพอพระองค์ได้เห็นสัจธรรมความจริงเออ เห็นความจริงว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เกิดความาวิตกกังวลหวาดกลัวขึ้นมาเพราะไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายอืแล้วพอเดินไปอีกระยะหนึ่งก็ไปเห็นนักบวชที่แต่งตัวไม่เหมือนคนทั่วไปก็อยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครทําอะไร ก็ได้ทราบว่าเป็นนักบวชเป็นผู้ที่ไปอยู่ในที่ตามป่าตามเขาไปศึกษาไปปฏิบัติหาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย <Yeah. S 1> พอพระ อ, องค์ได้ทราบก็มีความดีใจขึ้นมาว่ามีผู้ที่แสวงหา วิธีที่จะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายหลังจากนั้นพระองค์ก็กลับไปอยู่ในวงังแต่ภาพที่เคยเห็นนั้นมันติดตาติดใจทำให้พระองค์นี่เกิดมีความปรารถนาที่อยากจะออกบวชเพราะอยากจะหนีจากความแก่ความเจ็บความตาย แล้วก็มีพอถึงเวลาก็มีเหตุการณ์เกอภรรยาพระมเหสีได้คลอดลูกพระองค์ก็เลยต้องตัดสินพระไทยในคืนนั้นว่าจะทำอย่างไรถ้าอยู่ต่อไปก็จะต้องเลี้ยงดูลูกจะจะทิ้งลูกไปไม่ได้ ถ้าจะทิ้งก็ต้องทิ้งตอนนี้ถ้าจะไปออกบวชถ้าอยากจะไปบวชไปหาวิธีที่จะทําทให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายก็ต้องไปออกไปบวชเพราะไม่มีใครรู้ในวังก็ไม่มีใครรู้ในหมู่บ้านก็ไม่มีใครรู้จะรู้ก็คือพวกนักบวชก็เลยตัดสินพระไทยหนีออกจากวังไปในคืนนั้น โดยไม่บอกใครเพราะถ้าบอกก็จะไม่ได้ไปถ้าก็มีใครเขารู้ว่าจะไปนี่เขาจะห้ามทันทีแล้วถ้าเป็นพระราชบิดาอาจจะสั่งให้ทาหารคอยกักตัวไว้เสียได้ซ้าไปเพราะไม่ต้องการให้ไปบวชต้องการให้อยู่เป็นกษัตริย์เพื่อจะได้เป็นมหาจั ก, กรพรรดิต่อไปพระองค์ก็เลยต้องหนีไป มีผู้ติดตามไปคนหนึ่งไปส่งกี่มาไปส่งพอพ้นเขตเมืองก็ให้เอากลับหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งปรงผมแล้วก็อยู่แบบเป็นแบบนักบวชอยู่แบบนักบวชไปศึกษากับนักบวชที่ได้บวชแล้ววิธีที่จะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย หรือไม่ทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายออไปศึกษาก็ได้พบกับวิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวออคือวิธีของการนั่งสมาธิฝึกสมาธิทำใจให้สงบพ อ, อนั่งสมาธิใจสงบ ความกลัวความแก่ความเจ็บความตายก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายที่ที่จะตามมาความกลัวความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาใหม่ถามใครว่าทำยังไงไม่ให้กลัวไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ ก็ไม่มีใครรูเออ้เมื่อไม่มีใครรู้ก็เลยต้องไปออค้นคว้าหาความรู้นี้ได้ตนเองว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเออพอาะใจตอนนี้ทุกข์มากคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายทีไรก็ไม่สบายใจออจะหายก็เฉพาะเวลาเข้าไปในสมาธิ แต่พอออกจากสมาธิมาก็พอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีพระองค์ก็เลยต้องอคิดคน้นหาคำตอบด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนไม่มีใครรู้ว่าทำไมจึงต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกันทำไมจะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกัน ไม่มีใครรู้ไม่มีใครให้คําตอบนี่ได้พระองค์ลเลยต้องไปค้นคว้าหาคําตอบเอที่มีอยู่ในจิตใจของพระ อ, องค์เองในที่สุดพระ อ, องค์ก็ส่งประทับอยู่คนต้นโพแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าอจะนั่งค้นคว้าหาความจริงเอจนกว่าจะพบความจริงถ้าไม่พบความจริงก็จะไม่หยุดะ จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปจะตายเลือดจะเหือดแห้งขึ้นมาจากเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งหายไปก็จะปล่อยให้มันแห้งหายไปแต่จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้จนกว่าจะได้คําตอบ <c oughs> และในที่สุดพระองค์ก็ได้คําตอบได้ตัดสเลอได้รู้ว่าความทุกข์ ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี่เกิดจากตัณหาความอยากสามประการความอยากให้ร่างกายากความอยากใช้ร่างกายหาความสุขจากลูกจากลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จาเป็นจะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงร่างกายของคนหนุ่มคนสาวถ้าเป็นร่างกายของคนแก่คนเจ็บคนตาย ก็จะไม่สามารถหาความสุขจากทางร่างกายได้แต่ถ้าไม่มีความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกเนื้อน่ายก็ไม่จำเป็นจะต้องมีร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเบ้ามาเลยได้คำตอบว่าความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายนี้ ความทุกข์ที่เกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ที่เกี่ยวกับการพัดพาจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เกิดจากความอยากของใจนี้เองอยากให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงออไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายออนี่คือเรื่องของความอยากสามประการ ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสทําให้เกิดความอยากให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทําให้เกิดความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายตายวิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายความอยากให้ร่างกายแข็งแรงเป็นเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดเรียกว่าภาวะตัณหา ความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายเรียกว่ากามาตัญหานี่คือความอยากที่ทำให้ใจของพระพุทธเจ้าทุกข์กับร่างกายทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายและเป็นเหตุที่ทำให้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจะกลับมาเกิดใหม่และกลับมามีร่างกายอันใหม่ พอมาเกิดแล้วก็จะมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่ถ้าหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ไม่ทำตามความอยากนี้ได้ไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็จะไม่ต้องมีก็จะไม่มีความอยากให้ร่างกายแข็งแรงอยากให้ร่างกายอยู่ไปะยาอนนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายวิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้อง ใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็คือการฝึกจิตการทำใจให้สงบนะทำจิตให้สง บ, นะสงบแล้วก็พอจิตสงบมีความสุขจากความสงบก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่อไปและเวลาเกิดความอยากจะไปใช้ร่างกายก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ กับร่างกายก็อย่าไปหยากอย่าไปอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทุกครั้งที่อยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ต้องหยุดมันเวลาออกจากสมาธิความอยากนี้มันยังไม่ได้ตายไปกับการนั่งสมาธิมันเพียงพักอยู่ชั่วคราวขณ ะ, ะอยู่ในสมาธิความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนี้ไม่มี แต่พอจิตออกจากความสงบมาเริ่มคิดความอยากก็จะคิดหาความสุขผ่านทางร่างกายตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาใช้ความรู้ที่ได้ทรงค้นพบว่าต้องเลิกไม่ทำตามความอยากอยากดูก็ไม่ดูอยากฟังก็ไม่ฟังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่หาพอไม่หา ไม่ต้องใช้ร่างกายความอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆก็ไม่มีความอยากให้ไม่ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่มีก็สามารถปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาเลยไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไปกับมันใครมีความสามารถที่จะสาใจให้สงบได้ใครมีความสามารถที่จะเข้าใจถึงต้นเหตุ ของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากทั้งสามนี้ได้ก็สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้และสามารถยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปได้นี่คือคําตอบที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงหาหลังจากวันนั้นไปแล้วใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีความทุกข์กับอะไรอีกต่อไปไม่ทุกข์กับ ร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับร่างกายของคนอื่นเพอ ร, รู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่มีความอยากที่จะให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดจากความอยากให้ร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีไม่ ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้จะหยุดได้ก็ต้องมีกําลังทำใจให้สงบให้ได้ทำใจให้นิ่งให้ได้ถ้าทำใจให้นิ่งไม่ได้จะหยุดความอยากไม่ได้ทำใจให้นิ่งได้หยุดความอยากได้ก็ต้องรู้ว่าทำไมต้องหยุดความอยากต้องรู้ว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ เป็นต้นเหตุของการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเห็นผู้ที่ยังไม่มีกําลังที่จะทําใจให้นิ่งให้สงบได้ก็ต้องมาฝึกมาสร้างคับมาฝึกวิธีหยุดความหยุดหยุดใจหยุดความคิดหยุดความอยากด้วยการฝึกจเจริญสติต้องมีสติคอยควบคุมกํากับใจถึงจะหยุดความคิดหยุดความอยากได้ จะมีสติดได้ก็ต้องมีเวลาผู้ที่จะมาปฏิบัติได้ก็ต้องอห้ามไม่ให้ไปทํากิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมาถือศีลของนักบวชกันนักบวชนี่เ็าจะมีศีลคือข้อห้ามไม่ให้ไป หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเฮ้ยไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกันเฮ้ไม่ให้ไปเที่ยวกันไม่ให้ไปกินไปดื่มเ อ, อไปดูไปฟังมหัศลศพบันเทิงไปร้องนำทำเพลงเฮ้ไม่ให้ไปหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของทางร่างกายเฮ้ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนบนเตียงใหญ่ๆฟุบหนาๆเออพราะจะนอนมากเกินไป จะทำให้ไม่มีเวลามาฝึกสติมาเจริญสติแล้วก็ต้องไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวผู้ที่จะมาเจริญสติได้จริงๆยังต้องเป็นนัก บ, บวชกันถ้ายังต้องอยู่ในบ้านอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่กับกิจการต่างๆจะไม่มีเวลามาเจริญสติมาหยุดความคิดหยุดความอยากได้ เพราะชีวิตของคารวะผู้ของเรือนนี้จาเป็นจะต้องใช้ความคิดคิดในการทำมาหากินคิดในการปฏิบัติต่อกันคนนั้นต้องการอย่างนี้คนนี้ต้องการอย่างนั้นจะทำอย่างไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับเขาก็มีแต่เรื่องให้คิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็จะไม่มีความสามารถที่จะมาหยุดความคิดหยุดความอยากได้ ต้องไปบวชเป็นนักบวชเพราะเมื่อเป็นนักบวชก็จะอยู่ตามลาพังได้นักบวชแท้จริงนี่เขาไม่อยู่เป็นเป็นกลุ่มเขาบวชแล้วเขาก็จะแยกกันไปอยู่เอถึงแม้จะอยู่ในวัดเดียวกันก็ไม่มาจับกลุ่มทํากิจกรรมร่วมกันยกเว้นกิจกรรมที่จําเป็นเท่านั้น เช่นเวลาต้องมาร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันบิณฑบาตร่วมกันทำความสะอาดศาลากุฏิปัดกวาดลานวัดอันนี้ก็จะมาทำพร้อมๆกันทีเดียวเพราะถ้าผัดกันทำเดี๋ยวมันจะรบกวนกันคนหนึ่งทำแล้วคนหนึ่งจะเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะขัดกันก็ลเลยต้องมีกิจกรรมที่ต้องทำพร้อมๆกันเพื่อจะได้ไม่รบกวนกัน พอไม่มีกิจกรรมมันก็แยกกันไปอยู่คนละจุดกันไปจุดที่เงียบจุดที่ไม่ไม่เห็นหน้าเห็นตากันเพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรมารบกวนใจในการที่จะเจริญสติเพื่อหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆต้องมีสติต้องมีศีลถึงจะมาเจริญสมาธิได้ เมื่อเจริญสมาธิได้จิตสงบ ก, ก็จะรู้ว่าความสุขของจิตเกิดจากการที่หยุดความคิดหยุดความอยากนี่เองอถ้าปล่อยให้มีความอยากจิตจิตจะไม่สงบจิตจะวุ่นวายขึ้นมาทันที อ, อันนี้พอออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาคอยหยุดความอยากไม่ว่าจะอยากใน ในอะไรก็ตามอยากในรูปเสียงกดลิ่นรสก็ต้องหยุดอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นอยากให้ร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องหยุดอยากให้คนนั้นคนนี ago, เนนน้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องหยุดถ้าสามารถปฏิบัติได้ก็จะสามารถหยุดความอยากต่งตางๆได้หยุดความอยากทั้งสามนี้ได้กามตัหาความอยาก ทางตาหูจมูกนิ้งกายภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นมีภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนี่มีกําลังวังชาตลอดเวลาหนุ่มไปตลอดบ้านไม่รู้โรยสวยไม่สั่งอันนี้คือความอยากที่ทําให้ทุกข์เพราะเวลาร่างกายมัน มันเริ่มรวยเริ่มแก่เริ่มเจ็บก็จะทุกข์เพราะจะเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายงั้นต้องหยุดความอยากเหล่านี้อย่าไปยุ่งกับร่างกายปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเลี้ยงดูมันไปตามตามสภาพมันต้องการอาหารก็ให้อาหารนั่นถึงเวลาให้อาหารก็ให้อาหารถึงเวลาให้น้าก็ให้น้าถึงเวลาพักผ่อนก็ให้พักผ่อน เวลาหายใจก็หายใจไปไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ให้มันไปถ้าไม่มีความอยากใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขก็ไม่ต้อก็จะไม่ต้องวุ่นวายกับมัน mm. วิธีจะไม่ใช้มันก็ต้องหามีวิธีหาความสุขแบบใหม่วิธีหาความสุขแบบใหม่ก็คือการทําใจให้สงบหยุดความอยากนี่ เวล่วนั่งสมาธิใจสงบหยุดความอยากใจก็มีความสุขขึ้นมาก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องมีความอยากให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไปตลอดไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ทำใจได้ปล่อยวางร่างกายได้เพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ต้องพึ่งร่างกายกต่อไป ถ้ากคยยังพึ่งร่างกายอยู่ก็จะ <g ay> ต้องทุกกับร่างกายเพราะร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาพึ่งร่างกายไม่ได้ก็จะทุกข์กันแต่ถ้าไม่ต้องพึ่งร่างกายก็จะไม่ทุกข์ถ้าพึ่งความสงบถ้ามีความสงบแล้วก็พึ่งความสงบความสงบนี้สามารถพึ่งได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายอันนี้คือ วิธีที่จะดับความทุกข์ใจที่จะที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบวิธีที่จะทำให้ใจมีความสุขไปตลอดก็วิธีแห่งศีลสมาธิปัญญาผู้ใดสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ผู้นั้นก็สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้นี่คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงคนพบ วิธีที่จะทาให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์วิธีที่จะทาให้ใจมีแต่ความสุขไปตลอดพาะองค์ก็เอามาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นที่สนใจผู้ที่สนใจพอได้ยินได้ฟังถ้ามีศีลมีสมาธิอยู่แล้วพอได้ฟังเรื่องของต้นเหตุของความทุกข์ที่จะต้องละคือตัณหาความอยากก็สามารถละได้ทันทีเพราะมีสติมีสมาธิ ที่จะหยุดความอยากได้เพียงแต่ไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่รู้ว่าเป็นต้นเหตุของการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆพอมีคนรู้อย่างพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกก็เข้าใจหยุดความอยากได้ทันทีเลยพอแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่พระปัญจวัคคีหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็เข้าใจ สามารถหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ทันทีบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งการบรรลุธรรมนี้มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันหยุดความอยากต่างๆซึ่งมีอยู่หลากหลายก็ขั้นที่หนึ่งก็หยุดได้สามหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ขั้นที่สองที่สามก็หยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย อยากหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็สามารถหยุดได้ถ้าเห็นร่างกายว่ามันไม่ใช่เป็นร่างกายที่น่าดูสวยงามร่างกายส่วนที่น่าดูก็มีส่วนที่ไม่น่าดูก็มีถ้ามองเห็นส่วนที่ไม่น่าดูแล้วก็จะไม่มีอารมณ์ที่จะอยากจะร่วมหลับนอน แต่ถ้าไปเห็นส่วนที่น่าดูมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาผู้ที่เฉลายก็จะดูในส่วนที่ไม่ไมน่าดูพอเห็นส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายความอยากจะร่วมหลับนอนกับร่างกายอ น, นั้นมันก็จะไม่มีแล้วต่อไปก็จะละความอยากต่างๆที่มีหลงเหนืออยู่ในใจอ ย, อยู่ในจิตในใจได้ความอยากนี่มีทั้งอยากในร่างกาย อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากจะเสพการกับร่างกายของคนนั้นคนนี้แล้วยังมีความอยากในจิตอีกความอยากที่จะให้จิตนั้นมีแต่ความสุขความาสบายไปตลอดแต่ความอยากเหล่านี้ก็จะทำให้จิตไม่สงบจิตวุ่นวายได้จิตจะสงบไม่สงบจิตจะจะสุขหรือทุกข์ก็ต้อง เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตนะอก็จะต้องปล่อยวางความอยากต่งตางๆให้หมดไปพอปล่อยวางได้หมดก็จะบรรลุถึงขั้นสูงสุดเอขั้นที่จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอถ้ายังมีความอยากอยู่แม้ว่าจะละเอียดขนาดไหนก็ยังจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ แต่ถ้าเข้าใจว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากก็ต้องหยุดมันเวลาเกิดความทุกข์ใจต้องใช้ปัญญาสอดส่องหาดูว่าอะไรเป็นกำลังอยากอยู่กับอะไรแล้วก็จะเห็นว่า อ, อยากกับเรื่องนี้ก็ต้องหยุดมันปล่อยให้เรื่องนี้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเพราะเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้จังมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลงมีสุขมีทุกข์สลับกันไปแม้แม้แต่ภายในจิตก็เป็นอย่างนั้นเป็นอนัตตาไปสั่งมันไม่ได้เหมือนกับร่างกายก็ไปสั่งมันไม่ได้น่่งกายมันก็มีสุขมีทุกข์เวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็สุขเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายมันก็ทุกข์ไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไปอยากแล้วก็จะทุกข์ อยากจะให้มันสุขเพียงอย่างเดียวก็จะทุกอ่านี่คือพอสอนแปบคนที่มีศีลมีสมาธิก็เข้าใจก็สามารถบรรลุได้ในขณะที่ฟังเลยหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะจะหยุดความอยากที่เกิดขึ้นภายในใจความอยากต่างๆที่อยู่ภายในใจไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้กับใจของผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาได้ นี่คือพระอลัยสงสากพวกที่ศึกษาจากพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมคาสอนที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี่มามาสั่งมาสอนออออนี่คือพระรัตนตไตยออพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบความจรงิงอาลยาสัตว์สี่ความจริงที่ทำให้สัตว์โลกต้องมาเวียนว่ายตายเกิดต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย และความจริงนี่จะทำให้สัตว์โลกยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้นี่คือพระธรรมคําสอนอสิ่งที่จะหยุดความทุกข์ต่างๆที่มีใ น, ในใจได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาอศีลก็ต้องเป็นระดับของนักบวชศีลห้า น, นี้เป็นระดับของผู้คลองเรือน ก็ต้องเริ่มจากผู้ครอบเรือนก่อนเพราะไม่มีใครมาบวชไม่มีใครเกิดมาเป็นนักบวชเลยเกิดมาก็เป็นคารวะกันเออก็รักษาศีนหน้ากันไปก่อนเมื่อรักษาศีนหน้าได้ก็หัดรักษาศีแปดสี 8, สของนักบวชเช่นในวันพระก็มาถือสีแปดกันวันธรรมดาก็ถือศีนหน้ากันสําหรับคารวะเมื่อถือสีแปดได้แล้วเห็น ภาวนาได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็อยากจะทำให้มากขึ้นก็อาจจะเพิ่มอยากอาทิตย์ละวันเป็นอาทิตย์ละสามวันห้าวันเพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปก็อยากจะทำทุกวันทำเมื่อพร้อมที่จะทาทุกวันก็ออกบวชได้เมื่อออกบวชได้ปฏิบัติอย่างทุกวันอย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวก็หยุดความอยากต่างๆได้ เดี๋ยวก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาพอเป็นแล้วก็สามารถไปสั่งสอนผู้อื่นช่วยการเผยแผ่พระาศาสนาให้ยืนยาวนานต่อไปนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นหัวใจของพระพุทธาศาสนาที่เป็นผู้ที่จะทำให้ ศาสนานี้จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยืนอยู่ยืน ย, ยาวนานอยู่ที่พระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์พระพุทธเจ้านี้ท่านตายไปแล้วก็เหลือแต่พระธรรมแล้วพระสงฆ์ที่จะทาหน้าที่เผยแผ่คำสอนให้แก่ผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์พอผู้ที่ติดอยู่ในกองทุกข์ได้เรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หุดพ้นได้เป็นพระอริยสงฆ์ ก็ทำหน้าที่ต่อกันมาทำกันเป็นทอดทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วที่ศาสนาพูธอยู่มาได้ก็เพราะการาถ่ายทอดอพระธรรมจากพระอริยสงฆ์สู่พระอริยสงฆ์เอาพระธรรมคําสอนนี้มาสอนมาบอกผู้ที่ยังไม่เป็นพระอริยอย่างพวกเราเนี่ยพวกเรานี้ยังไม่เป็นพระอริย แต่มีความสนใจเหมือนถ้าก็เป็นเหมือนถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็สนใจที่อยากจะเข้ามาหาวิทยาลัย อ, อยากที่จะได้จบปริญญาตรีโทเอกตอนนี้พยายามไปติวเข้มไปเตรียมตัวเอนทานกันการมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยเป็นเหมือนกับการมาหาข้อมูลว่าจะเข้ามาหาลัยได้อย่างไร พอรู้แล้วว่าจะต้องเข้าอย่างไรก็เอาไปเอาไปเตรียมตัวเอาไปปฏิบัติต้องสร้างศีลขึ้นมาใระดับศีลแปดต้องสร้างสติในระดับสมาธิถ้ามีศีลแปมีสมาธินั่งสมาธิได้ก็พร้อมที่จะเข้ามาหาลาัยของพระพุทธศาสนาได้สามารถที่จะไปบวชได้ไปปฏิบัติอย่างเต็มขั้นได้ เมื่อพอได้บวชแต่เต็มขั้นเดี๋ยวก็ได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกต่อไปเนี่ยพระอริยสงสาวกทุกลูกก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นไม่ได้เป็นพระอริยสงสาวกมาตั้งแต่เกิดมาเป็นเพราะว่าวันดีคืนดีได้มาสัมผัสได้มาได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าพอได้ยินได้ฟังก็เกิดความสนใจ เพราะเป็นความรู้ที่ไม่มีอะไรไม่มีใครสอนไม่มีใครรู้ไปเรียนที่ไหนก็ไม่มีใครสอนความความรู้ของพระพุทธเจ้าต้องมาเรียนในพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะได้ยินได้ฟังความรู้ที่จะทำให้ผู้รู้นี่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้สามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้สามารถมีความสุขไปได้ตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดต้องเกิดจากการที่ได้มาสัมผัสกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแม้แต่ชาวต่างชาติไม่เคยมีวดัดมีวาในบ้านเมืองเขาแต่เขามีหนังสือธรรมะที่เขาเข้าถึงได้เราเขาได้อา่านหนังสือธรรมะเขาก็สนใจเขาก็ศึกษาปฏิบัติเตรียมตัวเอ็นทาน พอเขาพร้อมเขาก็มาเมืองไทยมาหาที่บวชนะเพราะที่บ้านเขาไม่มีที่บวชกันเขาก็เลยมาบวชที่เมืองไทยเืองไทยนี้เป็นแหล่งของการผลิตพระอริยเจ้าต่างประเทศจะยิ่งใหญ่จะเจริญขนาดไหนก็สู้เมืองไทยไม่ได้ต่างประเทศนี้ผลิตพระอริยสงฆ์ไม่ได้มีประเทศไทยนี่ที่ผลิตพระอริยสงฆ์ได้ ก็มีพระอริยสงฆ์ปรากฏให้เรารู้ให้เราได้กราบไหว้กันเป็นจำนวนมากพระอริยสงฆ์เราจะรู้ได้ไงว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ก็เวลาที่ท่านตายเนี่ยเวลาตายกระดูกของท่านที่เรา ท, ที่ที่หลังจากเผาแล้วกระดูกที่ไม่ไม่ได้เผาถูกไฟเผาก็กลายเป็นพระธาตุไปบางส่วนพระธาตุก็เป็นเหมือนหินนี่และ เวลาดูพระธาตนี่จะดูเหมือนกับดูก้อนหินหรือก้อนเพชรก้อนพลอยไม่ได้เป็นกระดูกดูไม่เป็นกระดูกอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าบุคคลนั้นได้บรรลุปเป็นพาาาระอรหันต์แล้วได้เป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไป เมื่อเป็นอย่างนั้นผู้ที่รู้ก็มีความสนใจผู้ที่อยากจ ะ, ะเรียนก็อยากจะมาเรียนที่ประเทศไทยเพราะเชื่อว่ามีผู้ที่เป็นพระอริยสองฆ์อยู่เป็นจํานวนมากถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศที่จเจริญกว่าประเทศไทยแต่เขาจเจริญทางด้านวัตถุแต่เขาไม่จเจริญทางจิตใจประเทศเขาไม่มีพระอริยบุคคลแม้แต่คนเดียว มีแต่พีเดีเยอะแยะไปหมดมีด็อกเตอร์เต็มไปหมดมีผู้รับรางวัลโนเบลเต็มไปหมดแต่ไม่มีพระอริยบุคคลไม่มีใครตายไปแล้วกระดูกกายเป็นพระธาตุมีประเทศไทยในบรรดาเมืองพุทธนี่รู้สึกจะเป็นประเทศไทยแห่งเดียวม้เท่าที่ได้ยินที่มีพระอริยสงฆ์มีผู้ที่ตายไปแล้วกลายเป็นพระธาตุ ประเทศอื่นพมา่าศีลังกาลาวขเขมรนี่ไม่เคยได้ยินได้ฟังอันนี้ก็คือเรื่องของพระอริยสงฆ์พระธรรมคําำคำสอนก็คือคําสอนที่ให้เร า, าสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมานี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราก็รู้แล้วว่าเป็นใครวิเศษกับเราอย่างไรเพราะว่าท่านทําตัวของท่าน ที่เราไม่สามารถทําตามท่านได้ถึงแม้ท่านจะเป็นกษัตริย์ท่านยังสามารถสระละราชสมบัติมาอยู่แบบขอทานได้อยู่แบบนักบวชได้แล้วก็สามารถควบคุมบังคับจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้สามารถใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆได้ะ นี่คือความแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับพวกเราพวกเราเนี้ไม่มีไม่มีวันรู้เลยว่าการว่าการที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี่มาได้อย่างไรแล้วความทุกข์ของเรานี้เกิดจากอะไรเราก็ไม่รู้กันร้องหม่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร ท, ทั้งที่มันมีอยู่ในใจเรา ดูความอยากที่ทําให้เราล้อห่มล้องไห้ากันเรากลับมองไม่เห็นมันพราะเราโงา่เรามองไม่เป็นเราไม่เคยมองก็ามาข้างในเรามองออกไปข้างนอกแล้วก็ไปทุกข์กับสิ่งที่เราอยากนั่นเองอยากได้อะไรแล้วพอไม่ได้ก็ทุกข์หรือได้มาแล้วเสียไปก็ทุกข์ที่ทุกข์ไม่ได้เพราะว่าได้มาหรือเสียไปที่ทุกข์เพราะว่าอยาก อยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์ออหรือพอได้มาแล้วเสียไปก็ทุกข์เพราะไม่อยากเสียออถ้าไม่มีความอยากได้อยากเสียแล้วจะไม่มีความทุกข์กับอะไร อ, อ, อันนี้เราไม่มีวันรู้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าออนี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอน พระพุทธเจ้าก็เป็นหนึ่งไม่มีใครเหมือนคําสอนพระพุทธเจ้าก็เป็นคําสอนที่ไม่มีคําสอนใดในโลกนี้ที่จะเหมือนเรื่มมีคุณนะมีคุณภาพที่ดีเท่ากับคําสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกก็เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าได้รับประโยชน์จากพระธรรมคําสอนอ และเป็นผู้ที่สามารถที่จะนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปได้ท่านจึงมีคุณค่าราคาเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระธรรมคำสอนนี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็ น, เ ป, นเป็นเพชรของพระพุทธศาสนาพวกเรา ยังไม่รู้จักเพชรยังไม่เห็นคุณค่าของเพชรยังไม่เข้าหาอย่างจริงจังเข้าหาก็แบบอพอหอมปากหอมคอเข้าวัดเห็นพระพุทธรูปก็กราบสามครั้งจุดธูปเทียนอันนี้ยังเข้าไม่ถึงจะเข้าถึงต้องศึกษาศึกษาพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ศึกษาแล้วก็ยังไม่พอเมื่อศึกษาแล้วต้องปฏิบัติน เมื่อปฏิบัติแล้วนั่นแ่ะถึงจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงเพราะจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงต้องได้รับจากการปฏิบัติแต่ก่อนจะปฏิบัติก็ต้องศึกษาก่อนก่อนจะศึกษาก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนต้องเข้าวัดก่อนเข้าไปกราบพระก่อนเมื่อกราบแล้วจะได้ศึกษาว่าพระที่เรากราบนี่เป็นใครมีความวิเศษวิโสอย่างไรจะช่วยเราได้อย่างไร ไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ไม่รู้ก็จะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่ได้รับประโยชน์ <Yeah. S 2> นี่คือความสําคัญของการเรียนรู้ถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์อยากจะรู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่วิเศษอย่างไรเราต้องศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้นำเอาสิ่งที่เราได้ศึกษาไปปฏิบัติต่อ เมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติได้รับการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่ถาวรไปไม่มีวันสิ้นสุด น, นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราเข้าหาเราก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตาม การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมูธนาให้พรยะธาวาเิวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุ ป, ปกับปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจะตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะราโสยะธามะนีจุติอาราโสยะธาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโคนีนัสโตมาเตปวัตวันตาราโยสุขีทีคาโยโกภวะ อภิวาทนาสีลิสานิจจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมะวะทานติอายุวโนสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่คะวันนี้ทางเฟซบุ o กสามร้อยยี่สิบยูหนึ่ง้อยห้าสิบห้า วิทยุออนไลน์27รับฟังบนเขา44รวมทั้งสิ้น546เจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมใครฟังแล้วไม่เข้าใจอะไรหรืออยากจะรู้อะไรถามได้นะไม่คิดราคาไม่คิดเงินถ้าอยากจะถามก็ยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้ ถ้าไม่ถามเดี๋ยวจะให้ทางบ้านที่เขามีคำถามส่งข้อความเข้ามาทางบ้านก็มีคนติดตามเนี่ยถ่ายทอดสดทาง Facebook กับ YouTube อยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามได้เนียนี้ทั่วโลกต่างประเทศก็มีสี่สิบกว่าประเทศประเทศไทยก็มีหกสิบกว่าจังหวัดที่ติดตามกันมีใครอยากจะถามอะไรเขาก็ เขียนข้อความส่งเข้ามาตอบกันแบบสดๆเลยถามสดๆตอบสดๆลองถามคำถามแรกดูเนองคำถามแรกจาก y o u t u ู e คุณอ้ำค่ะ มีคำถามกราบเรียนถามท่านว่าการที่เราจะต้องฝึกสมาธิในขั้นต้นเราควรจะทําตัวอย่างไรให้มีสติตลอดเวลาเพราะเวลาเพราะพอปฏิบัติสักพักก็จะเริ่มลืมสติทําไม่ได้ต่อเนื่องค่ะก็เขียนคําว่าสติไว้ที่มือเราเลยเขียนสตินี้อยู่ที่ฝ่ามือเราแล้วก็คอ ย, ยกฝ่ามือดูอ๋อสติะ คำเดียวจะเป็นลืมทำํำไมเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านยังไม่ลืมเลยเนี่ยยอนเงินตอนนี้มีกี่บาทรู้หมดเลยใช่ไหมแต่พอสติคําเดียวนี่ลืมมันรู้จะทํายังไงก็ต้องเขียนสติไว้ติดที่หน้าผากก็ได้แล้วติดที่มือก็ได้ติดหน้าผากก็มองไม่เห็นเองอะ ก็ต้องติดไว้ที่มือที่ฝ่ามือแล้วที่หลังมือเนี่ยเวลาเราใช้มือเราก็จะได้เห็นเห็นสติเขียนสติไปเรื่อยๆไว้ที่หน้าผากก็ได้เพราะเดี๋ยวเวลาเราแต่งตัวเราก็ต้องดูกระจกเดี๋ยวเราต้องคอยดูหน้าเราอยู่เรื่อยพอดูหน้าเราปั๊บ ก, ก็จะเห็นคาว่าสติองั้นเดี๋ยวมันก็จะลื ม, ม, ม, มพยายามท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อย ถ้าเราท่องพุโทโธนี่ก็แสดงว่าเราเริ่มมีสติแล้วถ้าหยุดพุโทโธก็หายแนละ้วสติหาย ử. ถ้าไม่พุโทโธก็ต้องเฝ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ uer. กำลังอาบน้ำก็อาบน้ำไปอย่าไปคิดเรื่องอื่น uer. กำลังแปรงฟันก็แปรงฟันไปอย่าไปคิดเรื่องอื่น uer. กำลังรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ uer. อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีสติ uer. ต้องพยายามต้องต้องตั้งเป้าหมายอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะตั้งสติพอลืมพอลืมตามาสิ่งแรกก็ต้องทําก็คือตั้งสติก่อนถามตัวเองตั้งสติหรื อ, อยังอพอลืมตาขึ้นมาอย่าพอลืมตาขึ้นมาพูดพลาดลุกไปทํานูน่นทํานี่เลยก่อนจะทําอะไรถามตัวเองมีสติไหมมีสติคอยเข้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่หรือเปล่าหรือมีสติอยู่ก็พุทโทรหรือเปล่า มันมีถัดฝึกต้องทําต้องฝึกมันเปลี่ยนนิสัยน่ะนิสัยเรามันไม่มีสติกันชอบทําอะไรแบบไม่มีสติมีแบบนิดหน่อยมีแบบพอจะรู้ว่าทําอะไรแต่ไม่ทำไม่มีสติอย่างต่อเนื่องเป็นสติแบบล้มลุกคุกคานมีปั๊บแล้วก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เราต้องการให้เป็นสติที่ต่อเนื่องสม่ําเสมอ คำถามข้อต่อไปจากคุณดิศกรค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับพ่อมีเมียน้อยทะเลาะกับแม่และแม่ข อ, อยาเพราะหลายครั้งแม่ให้ผมเป็นคนพูดเรื่องอย่าผมจะบาปไหมครับใจจริงไม่อยากให้เลิกกันครับออไม่บาปหรอกก็อเราอยู่ด้วยกันได้ก็แยกกันได้เมื่ออยู่แล้วมันไม่มีความสุขก็อยากจะแยกกันเมื่อ แม่ขอร้องให้เราพูดก็พูดได้แต่พูดดีๆพูดด้วยความเคารพถ้าเขาไม่อยากไมเราพูดพอไม่อยาไม่ไม่วังเราก็อย่าเราก็บังคับเขาไม่ได้คำถามข้อต่อไปจากคุณเพชรคะ่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับควรแก้ไขโทสะขึ้นที่ขึ้นประจำกรณีถูกแย่กิเลสจากคนในครอบครัวเดียวกันควรจะแก้จิตตัวนี้อย่างไรครับ ก็ะความโกรธมันเกิดจากความอยากนอยากให้คนนั้นคนนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้กับเราพอเขาไม่ทําตามที่เราอยากให้เขาทำเราก็โกรธเขาอยากให้เขาดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราเราก็โกรธอยากให้รักเราพอเขาไม่รักเราเราก็โกรธยิ่งถ้าไม่อยากจะโกรธก็อย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปอยากให้เขา ดีกับเราอย่าไปอยากให้เขารักเราอย่าไปอยากให้เข า, เาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเร า, เาแล้วเราก็จะไม่โกรธเข า, เาคำถามข้อต่อไปจากคุณพีพาค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเมื่อเรารู้ปัญหาและพิจารณาถึงแก่นแท้ของปัญหาแต่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาถือว่าเราเป็นผู้รู้ในปัญหาหรือเปล่าครับ ถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้รู้จริงฮะรู้ปัญหาแต่ไม่แก้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรรู้ปัญหาแล้วต้องแก้ได้ถึงถึงจะเป็นผู้ที่รู้จริงรู้ปัญหาแล้วต้องรู้วิธีที่จะแก้ปัญหานั้นให้มันหายไปหมดไปถ้ารู้แล้วเหมือนหมอสมัยนี้รู้ว่าร่างกายเป็นมะเร็งเนี้ยรู้แต่ไม่รู้วิธีรักษาโรคมะเร็งเนียรู้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร รู้ว่าโรคเก็บไข้ได้ป่วยเพราะมะเร็งหรือสมัยนี้เพราะติดเชื้อ HIV แต่ก็ไม่มียาที่จะฆ่า HIV. เชื้อนี้ได้ก็ยังไม่ไม่ถือว่ารู้จริงรู้แบบไม่เกิดประโยชน์รู้แล้วต้องให้มันเกิดประโยชน์ถึงจะเป็นความรู้จริงคําำถามข้อต่อไป จากคุณชีวิตต้องมีวันพรุ่งนี้เสมอกลับนมัสการเจ้าค่ะอยากถามว่าการนั่งสมาธิแล้วเวทนาสัญญาสังขารดับแล้ววิญญาณจะไปตั้งอยู่ที่ไหนคะวิญญาณมันก็หยุดไปด้วยวิญญาณมันที่รับรูปเสียงกลิ่นลดมามันก็หยุดชมันก็อยู่ในจิตนี่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ทํางานชั่วคราวเหมือนรถยนต์เวลารถจอดเครื่องจักรอะไรต่างมันก็หยุดทํางาน มันไม่ได้หายไปไหนแล้วมันก็อยู่ในรถยนต์นั่นแหละพอถึงเวลาที่จะสตาร์ทรถมันก็กลับขึ้นมาทํางานใหม่ลูกสูบลูกอะไรต่างๆมันก็ทํางานเวลาเราปิดเครื่องดับเครื่องมันก็หยุดทํางานจิตเราก็เป็นเหมือนเครื่องจกักรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเหมือนเครื่องยนต์ในในจิตใจเราที่เราใช้สติหยุดมันได้เป็นพักๆหยุดไม่ได้ตลอดแต่หยุดได้เป็นพักๆ คำถามข้อต่อไปจากคุณประพัทน์ค่ะกราบนมัส ก, การเรียนถามว่าคนเราเกิดมาทำไมถึงลืมเรื่องในชาติก่อนๆวิชาความรู้ที่เรียนมาในอดีตชาติจะหลงเหลือมาในชาตินี้ได้บ้างหรือไม่ครับก็บางอย่างก็ติดมาบางอย่างก็ไม่ติดมาความรู้ที่ติดมาส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่มีการกระทาควบคู่ไปด้วยถ้าเป็นความรู้เป็นความจามันลืม แต่เป็นความรู้ที่เกิดจากการกระทำมันจะไม่ลืมของบางอย่างก็ลืมของบางอย่างก็ไม่ลืมของที่เรารักเราชอบเราเกลียดนี้จะไม่ลืมชอบสีเขียวสีแดงมันก็จะชอบต่อเกลียดสีขาวสีดามันก็จะเกลียดต่อไปของที่เรารักเราชอบนี้มันจะไม่ลืมมือซ้ายมือขวาที่เราใช้กันอยู่นี้ก็ไม่ลืม เคยถนัดมือขวามันก็จะใช้มือขวาไปเรื่อยๆเคยถนัดมือซ้ายมันก็จะใช้มือซ้ายไปเรื่อยๆเออนของที่เราใช้อยู่เป็นประจำนี่มันจะไม่ลืมอะไรที่เป็นนิสัยมันจะไม่ลืมเป็นนิสัยเป็นสันดานนี่มันไม่ลืมชอบกินเหล้าอย่างนี้มันไม่ลืมกลับมากี่ชาติมันก็จะกินเหล้าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเลิกกินถ้ามันเลิกกินต่อไปมันกลับมามันก็ไม่กินได้ เงั้นของพวกนี้มันเป็นของที่จะไม่ลืมถ้ามันติดเป็นนิสัยแต่ถ้ายังไม่เป็นนิสัยนี่มันลืมะชื่อบ้านชื่อเมืองเอเมื่อเช้านี้กินอะไรตอนนี้ก็ลืมแล้วนึกจาได้ป่าเมื่อเช้ากินอะไรบ้างแตอนึกก็ต้องวันนั่งนึกนานพอสมควระคนที่เขาเราเลิกชาติได้เพราะก็ต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้ว พอสงบแล้วทีนี้เ็าก็เริ่มนึกย้อนถอยหลังไปได้เพราะว่าเวลาใจสงบไม่มีเรื่องอยื่นมาคอยรบกวนใจแต่ตอนนี้เรามีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาอยู่ในใจตลอดพอจะมาคิดถึงเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างนี่โอ้นึกไม่ออกก่อ่าะนึ ก, ออก่อนนี้ต้องพยายามหยุดหยุดเรื่องราวต่างๆที่เรากำลังรับรู้ในตอนนี้ก่อนแล้วถึงจะค่อยย้อนกลับไปได้แต่ย้อนไปไม่ได้นานหรอก สาวันนี้จาไม่ได้แล้วสามวันที่แล้วกินอะไรบ้างทำอะไรบ้างยังจาไม่ได้เลยจาได้เป็นเรื่องเรื่องบางเรื่องเรื่องที่ไหนที่มันที่มันถูกใจเราหรือที่เรามีความผูกพันก็จะจาได้แต่เรื่องที่เราไม่มีความผูกพันด้วยนี่มันมันเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปหมดแล้วนี่คือความจาของพวกเรามันถึงจาชาติก่อนไม่ได้คาถามข้อต่อไปจากคุณพุทโธค่ะพระคุณเจ้าครับ กระผมเคยบวชและต้องสังฆาธิเศษแต่ไม่ได้อยู่ปริวาสกรรมแล้วสึกออกมาถ้าจะแก้ไขต้องทําอย่างไรครับถึงจะหลุดครับถ้าเราไม่ไปบวชก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรถ้าไปบวชก็ต้องต้องไปแก้ไขเพราะเป็นเหมือนโทษเก่า ของนักบวชพอกลับไปเป็นนักบวชก็ต้องไปแก้ไขโทษเก่าที่ยังติดข้างคางอยู่แต่ถ้าเป็นคาราวาสก็ไม่เกี่ยวฆร า, าวาสไม่ไม่จำเป็นจะต้องมาแก้ไขโทษที่ของที่เป็นตอนที่เป็นนักบวชอยู่จะต้องไปแก้ไขตอนที่กลับไปบวชใหม่คําถามข้อต่อไปจากทาง youtube คุณบุญเสริมคะ่ะกราบเรียนถามครับทานศีลภาวนาอยากขอให้พระอาจารย์อธิบายคําว่าพาระ ภาวนาให้ละเอียดได้ไหมครับก็ระบายมีอธิบายมาตั้งชั่วโมงแล้วเนี่ยเรื่องศีลเรื่องภาวนาก็คือสมาธิและปัญญานั่นเองภาวนามีสองขั้นขั้นแรกเรียกว่า ส, สมถภ า, ภาวนาทําใจให้เป็นสมาธิจะทําใจให้เป็นสมาธิก็ต้องมีสติต้องมีเวลามีสถานที่ให้เราไปปลีกุ้เวกให้เรา มีเวลาควบคุมใจควบคุมความคิดหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้ใจก็จะเป็นสมาธิขึ้นม า, าส่วนปัญญาขั้นที่สองขั้นที่สองเรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญาสอนใจให้ให้หยุดความอยากว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นทุกข์ ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราได้มันไม่เที่ยงเวลาได้มาก็ดีใจเวลามันหมดไปก็จะทุกข์จะร้องห่มร้องไห้เวลาได้แฟนมาก็ดีใจพอแฟนจากไปก็เสียใจต้องพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราดากอยากได้จะต้องมีวันพัดภาคจากกันถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราก็จะได้ไม่อยากเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะหยุดความอยากได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณปราโมทค่ะผมมีความคิดลบปรุงแต่งอยู่บ่อยครั้งจึงทำการสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนวันละหนึ่งชั่วโมงและหมั่นดูลมหายใจพุทธโธสม่มเสมอปัจจุบันเวลามีความคิดลบเกิดขึ้นเรารู้ทันทำให้หยุดคิดหลักการนี้ที่นำมาถูกทางหรือยังครับในการหยุดทุกจากการปรุงแต่งค่ะก็หยุดได้ก็ถูกนะ นทางที่ดีถ้าอยากให้มันหยุดถาวนก็ต้องสอนด้วยว่าความคิดนี้ไม่ดีกิดแล้วเป็นโทษกับเราทำให้เราทุกข์หรือคิดแล้วจะทำให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาถ้าเราคิดด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญามันก็จะไม่กลับมาถ้าไม่สอนมันว่ามันเป็นโทษเดี๋ยวมันก็อาจจะกลับมาใหม่ได้คาถามข้อต่อไปจากคุณน้อยนะคะ ไม่ไม่ค่อยชัดเจนแต่เดี๋ยวจะขอพยายามนะคะคือว่าสวดมนต์ระหว่างห้องพระกับห้องนอ น, นะคะ่ะถามว่าถ้าห้องพระกับห้องนอนไกลกันแล้วโยมนั่งสวดมนต์ในห้องนอนจะได้ไหมคะสวดที่ไหนก็ได้แต่ถ้ามันมีห้องที่มันเป็นเฉพาะเจาะจงมันก็จะจะดีกว่าเพราะถ้าสวดในห้องนอ น, นอาจจะสวดสั้นเพราะมันอยากจะนอนมันอาจจะสวดรัด ถ้าสวนในห้องพระมันอยู่ห่างไกลจากเตียงนอนมันอาจจะออาจจะสวดนานหน่อยนั้นบรรยากาศสถานที่มันก็มีส่วนที่จะทําให้เราอสวดสวดมากหรือสวดน้อยแต่ถ้าเราสามารถควบคุมใจเราให้สวดได้สม่ําเสมอไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ไหนก็สวดได้ค่ะช่วงนี้คําถามหมดกันคําถามหมดอ่มีใครอยากจะถามไหม มีคําถามเข้ามาทางไลน์ค่ะขออนุญาตค่ะจากคุณอริสวงค่ะอยากเรียนถามพระอาจารย์ค่ะข้อที่หนึ่งกรณีลูกนี้หนีเป็นเพราะเวรกรรมหรือเปล่าจริงไหมคะอ๋อมันมันมีหลายเหตุผลมขอให้รู้อย่างรู้ความจริงก็พออย่าไปสนใจว่ามันเป็นพเพราะอะไรขอให้รู้ว่ามันไปแล้วก็แล้วกัน <laughs> แล้วก็อย่าไปเสียใจกับมันอย่าไปสนใจว่าเป็นเพราะเวรกรรมหรือเป็นเพราะอะไรให้ให้ย ใ, ให้ดูความจริงว่ามันไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วแล้วอย่าไปหวังให้มันกลับมาอย่าไปทุกข์กับมันให้รู้อย่างนี้ดีกว่ารู้ว่าเราทุกข์กับมันหรือเปล่าถ้าไม่ทุกข์กับมันก็โอเควิธีจะไม่ทุกข์กับมันก็คิดว่าเป็นการทำบุญนาทานไป ข้อที่สองคือจะรักษาใจอย่างไรดีคะถึงจะยอมอภัยเขาได้จริงๆพยายามแผ่เมตตาให้เขาบ่อยๆแต่เหมือนระวังผลอยากให้บุญส่งผลให้ได้เงินคืนมาก็จะดีใจคิดเสียดายยังอยากได้เงินทั้งหมดอยู่คะ่ะตอนนี้มาศึกษาธรรมะเลยไม่อยากผิดศีลอยากแบ่งความรักให้คนรอบข้างเลยรู้สึกบางที ก็ใจมีเมตตาบางทีก็ทำฝืนๆไปค่ะอยากขอคําแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะก็อย่างที่เราพูดนะก็ถ้าอยากจะแผ่เมตตาก็ยกหนี้ให้เขาไปคิดว่าเป็นการทำบุญทำทานไปอันนี้แหละเป็นวิธีแผ่เมตตาจริงๆไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดนะสวดนี่มันไม่ได้แผ่อะไรสวดแต่หวงเงินไว้ี้มันไม่ได้แผ่มันต้องแผ่ด้วยการไม่หวงเงิน รือว่ายกเงินนี้ก้อนนี้ให้เขาไปถ้าเป็นความสุขของเขาเราอยากให้เขามีความสุขก็ยกเือนก้อนนี้ไปไม่ไปทวงคืนแต่ถ้าเขาอยากจะมาคืนที่หลังก็ยินดีรับแต่ถ้าเขาไม่มาคืนก็ไม่เป็นไรคิดว่าเป็นการแผ่เมตตาไปคำถามข้อต่อไปจากทางไลน์จากคุณประทวนค่ะกราบเรียนถามเจ้าค่ะเวลาที่เรานั่งสมาธิจิตมันก็สงบ แต่พอจิตออกจากสมาธิแล้วจะมาพิจารณามันกับไม่เป็นไม่มันกับไม่คิดค่ะแต่พอเวลาที่เราทำงานหรือนั่งอยู่เฉยๆมันเกิดขึ้นเองก็เลยต้องเอาเวลานั้นมาพิจารณาเลยค่ะอย่างนี้ได้ไหมคะก็ได้ถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณาไปถ้าพิจารณาไม่ได้ก็เจริญสติไปก่อนพุโทโธพุทโธสร้างสติขึ้นมาก่อนหยุดความคิดอย่างอื่นไปก่อน ถ้ามันจะไปคิดอย่างอื่นก็อย่าให้มันคิดใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันพอหยุดมันได้แล้วก็ค่อยดึงมันมาคิดทางปัญญาต่อไปพิจารณาไตรักทุกอย่างไม่เที่ยงเงินทองไม่เที่ยงอย่าไปอยากได้ได้แล้วเดี๋ยวจะทุกข์ทุกข์เพราะเวลามันเสียไปมันหมดไปหรือว่าทุกข์เพราะไม่พออยากได้แล้วพอได้หมื่นก็อยากจะได้แสน พอได้แสนก็อยากจะได้ล้านมันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วมันจะทุกข์ไปเรื่อยๆคำถามต่อเนื่องจากคุณประทวนค่ะตอนที่กําลังพิจารณาอยู่จิตนิ่งจับอยู่กับสิ่งนั้นๆแต่มันมีความรู้สึกเหมือนลูกแก้วที่จะทะลุออกจากปากขวดโดยแรงดันแต่มันไม่ออกแต่รู้ว่าถ้ามันออกมันจะเบาสบายอธิบายไม่ถูกค่ะมันเป็นเพราะอะไรคะ อากิเลสมันยังไม่หยุดทำงานจิตยังไม่สงบเต็มที่จิตยังมีความอยากออกมาทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่ยากมันมีความอยากจะออกจากความสงบอยู่มันก็เลยยังสู้กันอยู่เราต้องใช้สติดันต่อไปพุทโธต่อไปดูลมต่อไปบังคับให้มันเข้าไปข้างในพอเข้าไปสุดๆแล้วมันก็จะหยุดพอมันหยุดแล้วก็จะเบาจะสบาย คำถามข้อต่อไปจากคุณเชเบลทางยูทูบค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาหนูโอนเงินไปทำบุญด้านต่างๆหนูไม่ได้แจ้งชื่อว่าเป็นตัวเองทำบุญคือโอนไปแล้วก็แล้วแล้วแบบนี้จะได้บุญไหมเจ้าคะได้ก็เราเป็นคนทำบุญเงินของเราเราเสียสละเงินไปเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจนี้ก็คือบุญแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องมีชื่อมีนามอะไรตรงไหน จะคอยเรารู้ว่าเป็นของเราถ้าเราเสียสละไปเรายินดีให้อถึงแม้จะผู้รับจะได้รับหรือไม่รับเราก็ได้บุญนะได้ความสุขใจแล้วเอคําถามข้อต่อไปจากคุณสาลินีค่ะเราจะทําใจและคิดอย่างไรดีคะถ้าเรามีญาติพี่น้องที่ร้ายกับเรามากๆค่ะก็คิดว่าเป็นเหมือนกับไม่เป็นญาตินแล้วกันอ ก็คิดว่าเป็นศัตรูกันเป็นข้าศึกศัตรูกันก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาเขาจะร้ายก็ปล่อยเขาร้ายไปคำถามข้อต่อไปจากคุณดิตศกรค่ะบิดาโดนแฟนใหม่ทำของใสเราควรช่วยอย่างไรไม่ให้เป็นเจ้ากรรมในเวรกันครับเราไม่รู้หรอกว่าของใสนั้นเป็นยังไงของใสนั้นมีจริงหรือไม่มีจริงเราก็ไม่รู้เราคิดกันไปเอง หน้าที่ของเราก็คือปล่อยวางไม่ใช่เรื่องของเราใครทํากรรมันใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนอกจากว่าเขาขอความช่วยเหลื อ, อให้เราช่วยเหลือเขาตอนนี้เขาเดือดร้อนทุกข์ถ้าเดือดร้อนทางเงินทองช่วยเหลือก็ได้ก็ให้เงินทองเข้าไปถ้าเดือดร้อนทางจิตใจถ้าไม่รู้ก็พาไปหาพระหาเจ้าผู้ที่รู้ให้สั่งให้สอนเขา คำถามข้อต่อไปจากคุณชัยยศค่ะการทำกรรมฐานระหว่างสมถากวิปัสสนาจะดำเนินอย่างไรก่อนหลังครับถึงจะถูกต้องค่ะ อ, อ๋อก็ต้องสมถาก่อนต้องทําัดทใจให้สงบให้นิ่งให้สงบก่อนเพราะถ้าเราทำใจให้นิ่งให้สงบไม่ได้เราจะไปใช้วิปัสสนามาสอนใจให้เลิกความอยากไม่ได้เพราะเราจะไม่มีกาลังหยุดความอยาก เราต้องสร้างกำลังหยุดความอยากก่อนด้วยการทำใจให้สงบนั่งสมาธิไปก่อนเมื่อเราสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้แล้วหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาเราก็มาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้พอเราเห็นโทษของความอยากเห็นทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้แล้วเรามีกำลังหยุดความอยากเราก็จะหยุดมันได้ ข้อต่อไปจากคุณกบจากทางไลน์ค่ะปกติจะถูกสอนว่าให้เพียรด้วยการทําวัดเช้าเย็นแต่ด้วยวิถีที่อยู่ทางโลกหน้าที่ทางโลกบางครั้งทําให้อ่อนล้าเวลาทําวัดเย็นจะทําได้ไม่จบทุกขั้นตอนเช่นนี้จะเป็นอย่างไรคะเราค่ะก็ถ้าไม่อยากจะสวดก็นั่งสมาธิไปเลยก็ได้เหมือนกัน บางทีทำงานมาเหนื่อยแล้วคิดมาทั้งวันเหนื่อยไม่อยากจะสวดก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกไปเลยก็ได้ถ้านั่งแล้วดูได้ดูลมได้ใจไม่คิดอะไรใจสงบก็ใช้ไ ด, ด้การทำวัดก็เพื่อที่จะหยุดความคิดต่างๆด้วยการเอามาคิดในเรื่องของการสวดมนต์แทนแต่ถ้ามันเหนื่อยมันคิดมาทั้งวันแล้วมันมันอยากจะหยุดคิดอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปสวดมันก็นั่งหลับตาดูลมหายใจไป ดูไปอย่าให้มันคิดน่าใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาคำถามต่อจากของคุณกบนะคะในวิธีการที่ปฏิบัติให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานต้องมีรูปแบบไหมค ะ, ะก็ต้องเรียนก่อนสิ ต้องเรียนรู้ว่ามรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรจะเข้าจะปฏิบัติได้อย่างไรก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้รู้เรื่องของการปฏิบัติต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงจะได้ของแท้อย่าไปซื้อของเทียมผ้าที่เราไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไรก็อย่าไปสนใจไปเรียนจากพระพระธรรมคําสอน ของแท้ของเดิมก็ที่มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคําสอนของพระอริยสงฆ์ที่เราเชื่อว่าท่านได้เป็นพระอริยสงฆ์แล้วประวัติของท่านบอกแล้วว่าตายไปแล้วท่านกระดูกเป็นพระาธาตุแล้วศึกษาจากคําสอนของพระเหล่านี้ได้เป็นของแท้ไม่ใช่เป็นของเทียมอคําถามข้อต่อไปจากคุณเปะ๊ะค่ะ การสวดมวนต์ภาวนาประจามันจะนิ่งเหมือนกิเลสนอนจมอยู่จะให้ขาดไปเลยควรจะใช้กรรมฐานข้อไหนครับก็กิเลสนี่เราก็ต้องใช้ปัญญามันอยากอะไรมันอยากได้อะไรก็ต้องบอกว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามันได้มานั่นเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปต้องจากกันพอจากกันก็จะกลายเป็นความทุกข์หรือมันเปลี่ยนไปตอนต้นได้มามันดี พออยู่ไปสักพักเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเป็นไม่ดีเหมือนคนใช่ไเวลาได้แฟนมาใหม่ๆดีไหมแต่งงานกันใหม่ๆดีพออยู่ไปอยู่ไปเอเปลี่ยนเป็นไม่ดีใช่แล้วเคยรักกันก็เกลียดกันใช่แล้วกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราต้องเห็นว่าทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนในการหมดจะได้ไม่อยากได้แล้วนี่คือปัญญาเวลาโลภอยากได้อะไรคิดอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรเหมือนกันหมดเป็นคนเป็นของเหมือนกันหมดคนก็เปลี่ยนของก็เปลี่ยนมือถือที่ก็โทรศัพท์ที่เ็โฆษณาขายดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เห็นก็อยากได้พอซื้อมาใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็ไม่ดีแล้วเดี๋ยวมันก็เสียแล้วเดี๋ยวมันก็มีเครื่องใหม่มาหลอกเราต่อคำถามข้อต่อไปจากคุณวีระพงศ์ค่ะจิตวิปลาสคืออะไรครับแล้วต้องแก้ไขอ ย, อย่างไรครับ ก็เจ็ตบ้างไงอยู่เป็พระประรัเจ็ตที่เจ็บที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้คำถามข้อต่อไปจากคุณทิพวรรณค่ะกราบเรียนถามเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วเหมือนต้องกั้นหายใจพุทธโธเลยทำให้เหนื่อยค่ะวิธีที่ถูกต้องควรทำแบบไหนเจ้าคะอ๋อไม่ต้องกั้นหรอกให้ดูเฉยๆดูลมเฉยๆปล่อยให้ลมเข้าับเข้าออกไปตามธรรมชาติของเขา เราไปกั้นมันเองฮไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเพราะกิเลสมากกว่ากิเลสพอจะให้นั่งเฉยๆนี่มันจะมันจะเก่งขึ้นมามันจะเครียดขึ้นมามันต้องมีอะไรให้มันทําฮะถ้าให้มันนั่งดูหนังนี่มันไม่มันไม่เก่งมันไม่เครียดให้มันนั่งเล่นไพ่มันไม่เครียดว่าให้มันนั่งเฉยๆนี่มันเครียดขึ้นมาทันทีมันจะเก่งขึ้นมาทันทีถ้าดูลมไม่ได้ก็ต้องใช้อย่างอื่นนะใช้พุทโธไปก่อนพุทโธพุทโธพุทโธไป ถ้าพุทโธไม่ได้ก็ใช้สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไม่ได้ก็เปิดธรรมะฟังไปก่อนก็ได้ฟังเทศไปก่อนก็ได้ให้มีอะไรกล่อมใจไปก่อนพอใจเริ่มเบาเริ่มไม่เก่งแล้วก็ลองดูลมหายใจต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิโดยใช้บริกรรมพุทโธไปสักระยะแล้วเริ่มโยก ตัวเริ่มโยกควรพุดโทรต่อไปรู้ลุกไปเดินจงกรมแทนขออุบายในการปฏิบัติเจ้าค่ะก็ถ้ามันถ้ามันไม่มีสติมันจะเริ่มเริ่มโยกก็หยุดก่อนหยุดนั่งก่อนก็ได้ลุกขึ้นมาเดินก่อนมาสร้างสติให้มีมากขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยกลับมานั่งใหม่ คำถามข้อต่อไปจากคุณพรทิพย์ฝากถามค่ะเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าทําไมในใจถึงชอบคิดด่าว่าในทุกๆอย่างทํำยังไงถึงจะหยุดคิดหยุดด่าแบบนี้ได้คะแล้วลองบริกรรมพุทโธพุทโธก็มักจะลืมคําบริกรรมไปบริกรรมได้ไม่นานก็กลับไปคิดไปด่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างแบบเดิมตลอดเวลาจะทําอย่างไรถึงจะหายได้คะ ขอให้พระอาจารย์ช่วยแก้ความสงสัยให้คำแนะนำด้วยค่ะเถ้าอยากจะ <c oughs> ให้บริกา ร, รอย่างต่อเนื่องนี้บางทีต้องไปหาที่ที่บรนณากลัวอยู่ที่ไหนมีผีเนี่ยเพราะมันจะไม่มันจะไม่กล้าคิดมันจะคิดอยู่แต่พูดโธพูดโธอย่างเดียวมันจะสวดบนไปอย่างเดียวถ้ามันอยู่ที่ปลอดภัยแนละ้วมันจะอะมันจะกล้าหาญกล้าคิดกล้าอะไรต่างๆกล้าด่าคนนั้นกล้าด่าคนนี้ พอมันไปเจอพิษเจอภัยขึ้นมันจะไม่กล้าด่าใครนะมันจะพุทโธพุทโธพุทโธสวดมนต์อาลังสัมมาไปอย่างเดียวเพราะฉั้นบางทีต้องไปหาที่บังคับให้มันเอไม่คิดให้มันสวดให้มันบริกรรมเนี่ยภาพป่าที่ไปอยู่ตามป่าก็เพื่อที่จะบังคับให้สถานที่บังคับพอไปอยู่ได้ยินเสียงเสือคำรามนี่มันจะพุทโธพุทโธถ้าไม่พุทโธมันจะเป็นบ้ามันจะกลัวเอ กัวใจสัน่นงั้นบางทีต้องไปหาสถานที่ที่มันน่ากลัวเพื่อที่จะได้มาข่มใจที่มันกล้าปในทางที่ไม่ควรจะกล้าให้มันกล้ากับพุทโธพุทโธให้มันกล้ากับการบริกรรมกล้ากับการสวดมนต์เพราะถ้าใจสัน่นใจกลัวนี้มันต้องหาอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่มีอะไรดีกว่าการสวดมนต์ไม่มีอะไรดีกว่าการบริกรรมพุทโธ ในเวลาเกิดภัยไม่ว่าทางเรือทางอากาศเนี่ยผู้โดยสารจะสวดบนกันลั่นว่ามันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแล้วมันต้องพึ่งต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอแต่ถ้ามันมีอย่างอื่นถ้ามันยังปลอดภัยมันก็เลยไม่มันไม่มันก็เลยใจเย็นๆไม่เดือดร้อนกล้าคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้ไปคำถามข้อต่อไปจากคุณรัตดาค่ะเวลานั่งสมาธิกลืนน้ำลายได้ไหมคะ ไม่ควรเพราะถ้าเกินมันจะกิอนอยู่เลยมันท่านยังนั่งสมาธิมันก็ยันั่งเกินน้าลายเวลานั่งสมาธิเราต้องการปล่อยร่างกายอย่าไปยุ่งกับร่างกายเราต้องการดึงใจออกจากร่างกายใจจะสงบได้ต้องออกจากต้องถอนออกจากร่างกายต้องไม่ไปสนใจกับเรื่องของร่างกายให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปคําถามข้อต่อไปจากคุณลาทางไลน์ค่ะ กราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะพิ่มเป็นทุกข์เกิดอาการปรุงแต่งและเห็นกิเลสจนทนตนเองไม่ได้กลัวที่จะอยู่คนเดียวและกลัวรอยต่อระหว่างหลับกับตื่นเขาทรมานมากค่ะในขณะที่เขาต้องพยายามสะกดอาการไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่เขาเห็นอาการตลอดค่ะกราบเรียนพระอาจารย์ช่วยแนะนําเขาเพื่อแก้ไข อ, อาการดังกล่าวค่ะกราบขอบพระคุณค่ะก็ให้เขามีพุทโธพุทโธไว้ ถ้าเรลิกถึงพุทธโธพุทธโธไปแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆก็จะหายไปคําำถามจากคุณ อ, อมค่ะมีคำถามค่ะการซื้อหวยนี่มีผลแห่งบาปใดๆไหมคะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ซื้อไหมคะอ๋อมันก็เป็นการเล่นการพนันซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีหาหาไรายได้ที่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ บางทีก็ขาดทุนซู่ถ้าอยากจะมีไรายได้ที่แน่นอนก็ไปทามาหากินดีกว่าหรือถ้าจะเล่นหวยก็ต้องจดไว้ว่าซื้อไปเท่าไหร่ได้กลับมาเท่าไหร่คิดว่าเป็นการค้าขายไปถ้าถ้าถ้ามันขาดทุนก็อย่าไปเล่นถ้าซื้อหวยแล้วกาไรก็เล่นต่อไปได้ไม่เป็นไรคิดว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่งแต่มันอาชีพที่ไม่แน่นอนโอกาสที่จะเจ้งมากมากว่าโอกาสที่จะกาไร แต่เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่จดส่วนใหญ่คนเล่นมักจะไม่จดกันเลยไม่รู้ว่าตัวเองนี้ขาดทุนหรือกำไรเหนต้องทุกครั้งที่ซื้อหวยก็เขียนไว้ว่านี้ซื้อกี่บาทแล้วพอหวยออกถูกก็ไม่ถูกก็จะได้รู้ถ้าไม่ถูกก็จะแสดงว่าไม่มีไรายได้ถ้าถูกก็ใส่ก็ใส่เข้าไปถูกแค่นี้แล้วพอสิ้นปีลองมาทำบัญชีดูหรือว่า เงินที่จ่ายไปกับเงินที่ได้กลับมาอันไหนมากกว่ากันเออถ้าได้มากกว่าเสียก็เล่นต่อไปได้ไม่เป็นไรเอถ้าเสียมากกว่าได้ก็อย่าเล่นดีกว่าเก็บเงินไว้เฉยๆยังยังปลอดภัยกว่ายังไม่ขาดทุนถึงแม้จะไม่กําไรก็ไม่ขาดทุนหมดหรือยังหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วก็มีใครอยากจะถามไหมเหลืออีกสองสามนาที เล่นหวยมันไม่ดีหรอกเพราะ ม, ามันไม่แน่นอนอทํางานทมากินเนีแน่นอนกว่าอย่างน้อยก็วันละสามร้อยนั้นได้แล้วขั้นต่ําำทําไปอย่าขี้เกียจคนที่เล่นหวยนี้มักจะเป็นคนขี้เกียจอยากจะหาเงินแบบง่ายๆมากๆเร็วๆเอแต่ทางที่จะได้กับขาดทุนกับเสียกับหมดเนื้อหมดตัวได้เห็นเราอย่าใช่อย่าเอาความขี้เกียจมาหาเงิน หาเงินด้วยด้วยกาลังกายกําลังใจของเราดีกว่ามีก็ ป, ป่ะอ่าไดก็เอาไป คำถามจากคุณประพัฒนคะ่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิทุกวันครับขณะนั่งสมาธิจะรู้สึกว่ามีความรู้สึกเย็นอยู่ที่กลางหน้าผากระหว่างคิว้วแม้ออกมาจากสมาธิแล้วก็ยังมีความรู้สึกเย็นอยู่ตรงจุดนั้นตลอดเวลาครับไม่ทราบว่าคืออะไรครับก็เป็นความสงบเป็นผลของความสงบความสงบนี้ถ้าเราเรามีความเย็นแล้วเย็นตรงไหนก็แล้วแต่ บางคนก็รู้สึกเย็นไปทั่วสะพานกายก็มีบางคนก็ขนลุกซ่าขึ้นมาก็มีเฉนั้นอาการเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากใจเข้าสู่ความสงบะแต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นปัญหาอะไถ้าใจเรามีความสุขโดยที่ไม่มีความรู้สึกเย็นตรงนั้นเย็นตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยขอให้ใจเราสบายก็แล้วกันใจเราเบาเราสบายไม่หนักอกหนักใจเหมือนตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิหมดหรือยัง